บทที่175หณบัดนี้ห่างไกลจากพักพวกทุกคนออกมาสองชายผู้อยู่กันคนละฐานะนั่งคุกเข่าประจันหน้ากันระยะใกล้ชิดตามลำพังต่างฝ่ายต่างตระหนักได้ดีว่าการเคลื่อนไหวอย่างใดก็ตามย่อมตกอยู่ในสายตาเฝ้าจับมองของฝ่ายนายจ้างและพรานพื้นเมืองทั้งหมดยังไม่มีวันจะรอดพ้นไปได้คนเหล่านั้น จ้องมาเป็นตาเดียวหาจวกไอ้แกคุมภูมิใจมากสินะที่ไหนที่สุดแกก็เพลิกเอาฉันมาอยู่ในฐานะจำเลย อ, อย่างเดียวก็แกได้ในสายตาของนายจ๊กเฮ้ยพรานใหญ่คำรามลอดไรฟันออกมาผู้กองทำใจให้ยุติดธรรมและเป็นนักกีฬาหน่อยสิครับผู้กองนะ่ะเหนือไม่ ก, กับผมก่อนนี่ก็มันเรื่องอะไรที่ผู้กองลงทุนพาพวกเขาเดินไปสักไกลลิ เพื่ที่พวกเขาจับผิดแง่ทายมองเห็นแต่ความเจ้าเล่ยเจ้าอุบายของคนใช้เพียงคนเดียวก็ในเมื่อพรานนําทางก็ลูกไม้จัดยังไงก็ตามผมขออภัยผู้กองด้วยแต่ไหนแต่ไรผมก็ไม่เคยแสดงความรู้ทันผู้กองต่อหน้าบุคคลเหล่านั้นเลยแต่คราวนี้ขออภัยด้วยมันจวนตัวจริงๆแล้วแงสายก็ยิ้มน้อยๆเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความบริสุทธิ์ใจมากกว่าจะยิ้มเยอะ พลางเอ่ยต่อมาอย่างเป็นงานเป็นการในระหว่างที่เขายังอึ้งอยู่ว่าผู้กองครับเรามาถึงที่หมายแล้วอย่างแม่นยำแล้วก็สงวนเวลาไว้ได้มากที่สุดทั้งหมดนี้เป็นความสามารถของผู้กองอย่างแท้จริงซึ่งผมเองก็ขอคาระวะยกย่องแต่ครั้งแรกผมอดสงสัยไม่ได้นะครับที่เห็นผู้กองนำเจ้านายแยกทางเปะปะไปทางอื่นให้เสียเวลาโดยใช่ที่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้กองลงทุนทำก็เพื่อจะพิสูจน์ให้เจ้านายเห็นในความขี้โกงของแายทรายเท่านั้นเองเลยครับกระพินเลิกปีกหมวกขึ้นเกาหัวแกร่หาสาบานได้นะให้ไตหงุดไห่ามาเดี๋ยวนี้สิฉันเดินมีแผนการอะไรอย่างที่แกว่าทั้งนั้นะที่แรกฉันก็แน่ใจเหมือนกันว่าตรงเป้าหมายแล้วแต่พอในายใหญ่เขาต้องการเข้าพิสูจน์ ซึ่งฉันก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ฉันก็มีความจำเป็นที่จะต้องพาพวกเขาสแสวงหาต่อไปแง่าสายหัวเราะเบาๆอ้าวก็เหมือนจะพาพวกเจ้านายสแสวงหาที่หมายต่อไปก็แล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องย้อนกลับมาจับผิดแง่้ายด้วยล่ะครับปู่กองไงตั้งแต่ฉันย้อนกลับมาถึงที่นี่ฉันแสดงถ้าจับผิดอะไรแกบ้านฉันไม่ได้พูดอะไรสักคาเดียวนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเจ้านายทั้งนั้นอีกฝ่ายมองตาอย่างเท่าทันหัวเราะ อ, อยู่เช่นนั้นผู้กองครับก็ไม่จําเป็นที่ผู้กองจะต้องมาจับผิดอะไรผมต่อหน้าพวกเขาก่อนที่จะเดินกลับมาถึงนี่ผู้กองสกิดให้ความคิดอะไรกับพวกเขาหน่อยเดียวเท่านั้นความผิดทั้งหลายมันก็ตามมาเป็นของแง่สายคนเดียวอยู่แล้วเอาละขอผมถามผู้กองอีกสักข้อได้ไหม ตลอดเวลาที่เจ้านายปรึกษาหารืออยู่กับผู้กองนะ่ะผมมีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยแม้กระทั่งขณะที่ผู้กองนําคณะเจ้านายเดินมุ่งไปทางด้านเหนือไกลลิฟน์นัผู้กองเคยบอกผมบ้างหรือเปล่าว่าจะเดินไปไหนเดินไปเพื่ออะไรผมนั่นไม่เคยได้รับรู้เลยว่าตําแหน่งที่เราอยู่ในขณะ น, นี้อันถูกต้องอยู่แล้วนะ่ะเป็นตําแหน่งที่ฝ่ายเจ้านายคลางแคลงใจไม่เชื่อว่าจะใช่และต้องการให้ค้นหาต่อไปที่อื่นอีก ถ้ามีการบอกให้ผมรู้บ้างผมก็จะได้บอกว่าที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าใช่นะความจริงนะมันถูกต้องแล้วไม่ต้องไปเดินหาที่อื่นให้เสียเวลาอยู่หรอกนี่เวลาผู้กองจะพาพวกเขาไปผู้กองก็ส่งสัญญาณเรียกมาทางนายทหารไป ต, ต่อกันเองทั้งนั้นพ้นจากความรู้เห็นของผมหน้าที่ของผมนะผูกบังคับอยู่ในตัวจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเดียวเท่านั้นทางด้านนายทหารก็ไม่ได้บอกอะไรกับผมสักอย่างเดียวยิ่งอยู่ แม้ผมจะนึกรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ใช่น่าที่ผมที่จะต้องอวดฉลาดทักทวงความจริงถ้าผมจะทำเป็นเซอร์เดินตามผู้กองไปด้วยก็คงไม่ยากเกินอะไรนะแต่บอกตามตรงนะครับผมไม่อยากจะดูลูกไม้ผู้กองเหมือนกันเพราะผมถูกพวกเขาเรียกไปไตส่สวนผมก็รู้อยู่ว่าไอ้ที่คาดการไว้แล้วนะ่ะมันไม่ผิดเลยผู้กองเล่นผมก็ให้จริงๆน่แหละ แล้วผมจะยอมเป็นจำเลยของพวกเขาคนเดียวเหรอผู้กองก็มีส่วนเป็นปจำเลยอยู่ด้วยแล้วก็เป็นจำเลยที่หนึ่งด้วยนะครับผู้กองรู้ทันผมผมไม่เคยโกรธสักทีอา้าแต่พอผมรู้ทันผู้กองครั้งไหนครั้งนั้นจิน่าเป็นเป้นรพินไทร์วันพูดไม่ออกนอกจากจะทำปากหมุบหมิบกลนโคตรง่าวสักลาเจ้าคู่ปรับอยู่ในใจนึกไม่ถึงว่าจะโดนตลบกลับอย่างทันกันถึงเพียงนี้ เพียงแต่ว่าเมื่อยืนอยู่บนเนินลูกนี้แล้วมองย้อนกลับไปไม่เห็นเขาครุฑเท่านั้นหรอกละครับที่ทำให้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดของเราคลางแคลงใจต่อเป้าหมายเสียงเรียบๆของแง่ทรายกล่าวถามต่อมาอีกยอมพรานยกมือขยี้จมูกแรงๆขับไล่ความหมงุดหงิดพูดพวนๆบนเนินลูกนี้หรือลูกไหนมันก็มองไม่เห็นทั้งนั้นหรอวะกาบหนก็ตาม ที่เราลงจากภูเขาสูงที่ขวางหน้านั่นมาสู่บริเวณในหุบล้อมนี่ทั้งหมดใช่ไม่มีทางเห็นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยนี่แงสายว่าพร้อมกับสกิดไหละระพินชี้ลงให้ดูบนแผนที่ต้นฉบับเดิมซึ่งระพินมอบไว้ให้เชษฐถาจับเวลาดูในระหว่างที่พรานนำทางกับคนใช้พิเศษของเขาซุบซิบหารือกันตามลาพัง ห่างออกไปร่วมสิบนาทีทั้งสองคนจึงเดินกลับมายังคณะทั้งหมดสีหน้าของพรานใหญ่ยังยุ่ยี่อยู่เช่นเดิมส่วนแง่ซ้ายปกติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทางด้านฝ่ายนายจ้างก็ปรับอารมณ์ไว้แล้วเรียบร้อยไม่มีข้าวหน้าของใครแสดงความขุนเคืองนอกจากจะขบขันแฝงไว้ด้วยแววปราณีแม้แต่ดารินเองเอาล่ะครับเราสรุปได้ความจริงแก้ข้อกัขาทั้งมวลออกไปได้แล้วล่ะครับ ระพินพูดขึ้นเสียงแห้งๆวางหน้าไม่สนิทนักทั้งหลายแหละน่ะมันมาจากความที่ผมไม่สามารถจะอ่านลายแทงภาษาพมา่าโบราณ น, นั่นออกโดยปรุโปรงนะครับก็แค่อาศัสยอ่านได้คร่าวๆจากฉบับที่แปลออกมาแล้วเท่านั้นนสไซเข้าใจคำสั่งเดิมของเจ้าของลายแทงได้ดีกว่าผมแต่บางเอินเราก็ไม่ได้ปรึกษาหารือกันซะก่อนจึงขอยอมรับครับว่าเป็นความผิดของผมเอง ทำให้ควายเขวกันไปหมดในข้อวินิจฉัยครับอ่ะแล้วว่าไปสิตกลงเป็นยังไงท่านหัวหน้าคณะพูดยิ้มยิ้มผมเป็นคนสรุปคำสั่งของลายแทงให้เจ้านายทุกคนทราบเองว่าเมื่อขึ้นไปยืนบนเนินพระจันทร์หรือเป้าหมายที่ควรจะเป็นเนินนั้นแล้วหันกลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้จะต้องมองเห็นเขาครุดถ้ามองไม่เห็นก็แปลว่าผิดเป้าหมายอืมใช่ก็เพราะข้อความนี้นั่นแหละ เราถึงต้องเพียนพยายามหาตำแหน่งที่จะมองย้อนกลับอยู่ตลอดเวลาอะแล้วทีนี้ยังไงต่อละ่ะจอมพลานครงหัวกระตนเองช้าๆและมองไปทางแง่ทรายพยักหน้าให้นิดนึงเหมือนจะเตือนให้ตอบแทนแง่ทรายจึงกล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวาลชัดเจนว่านายใหญ่ครับต้นฉบับเดิมนั้ไม่ได้บอกไวเช่นนั้นแะครับเป็นการสรุปข้อความที่ผิดพลาดของล่ามของผู้กองที่แปลไวเช่นนี้ ผู้เขียนลายแทงบอกไว้อย่างชัดเจนว่าจากหลุมุกาบาทที่สามให้เดินทางบ่ายหน้าขึ้นเหนือไปให้คอยหันกลับมาสังเกตเขาครุดเบื้องหลังไว้ทุกระยะถ้าเหลียวกลับมาครั้งใดยังเห็นเขาครุดคงลักษณะเดิมไม่แปรเปลี่ยนไปภายในสามวันก็จะบรรลุถึงเนินพระจันท์ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดขมวดคิว้วหันมองหน้ากันเองอยู่ไปมาอย่างง ง, ง ชายันทวนคําประโยคสุดท้ายของแง่สายช้าๆและถามโดยเร็วก็มันแตกต่างยังไงล่ะแง่สายกับที่ล่ามของผู้กองแปลไว้กับข้อความน่ะมันก็คล้ายคลึงกันอยู่แล้วอ่ะคล้ายคลึงกันครับแต่ไม่เหมือนกันครับนายทหารแง่สายตอบหน้าตาเฉยมันแตกต่างกันตรงข้อสรุปครับคือล่ามของผู้กองสรุปว่าเมื่อบรร ล, ลุถึงเนินพระจันท์นั้น คงจะต้องหมายความถึงว่าขึ้นมายืนเหยียบอยู่บนเนินนี่แล้วแต่ความจริงลายแทงไม่ได้เน้นกาหนดไว้เช่นนั้นนะครับเจ้าของเดิมเขาบอกแต่เพียงว่าจะบรรุถึงแง่ทายแง่หน้าเอี่ยวหลังชี้ให้ทุกคนดูขึ้นไปบนเขาตระงานที่เป็นกาแพงบังอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ขณะ น, นี้เจ้านายครับ ขณะที่เรายืนอยู่บนไหล่เขาลูกนั้นแลมองลงมายังภูมิประเทศบริเวณนี้ทั้งหมดเราเห็นเนินพระจันทร์แล้วต่ําลงไปอยู่ใต้จมูกของเรานี่เองนั่นไม่ได้หมายความหรอกหรอครับว่าเราได้บรรลุถึงแล้วณนะตําแหน่งนั้นหันกลับไปทางตะวันตกเียงใต้เราเห็นเขาครุฑอย่างถนัดชัดเจนหันกลับอีกด้านหนึ่งมองต่ําลงมาในหุบเนินพระจันทร์อยู่เบื้องหน้าของเราเราทั้งหมดในขณะนั้น ยืนอยู่บนเป้าหมายตำแหน่งสุดท้ายดังเช่นที่ระบุในลายแทงไว้แล้วทุกอย่างเห็นทั้งเขาครุดและเห็นเนินพระจันทร์ในเวลาเดียวกันการจะตีความหมายว่าเมื่อขึ้นมาอยู่บนเนินพระจันทร์จะต้องมองกลับไปเห็นเขาครุดอีกเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์โดยคำสั่งของลายแทงการเดินจากยอดเขาลูกนั้นลงมายังเนินพระจันทร์ เป็นเส้นทางเดินที่ลายแทงไม่ได้ระบุอะไรไว้อีกทั้งสิ้นเพราะเป็นการเดินเข้าหาเป้าหมายที่มองเห็นอยู่ใกลๆ้ๆชัดเจนแล้วด้วยสายตาครั้นเมื่อเดินลงมาถึงแล้วย่อมจะมองย้อนกลับไปไม่เห็นเขาครุดแน่นอนเนื่องจากว่าภูเขาใหญ่ลูกที่เราได้ลงมานั้นขวางกั้นไว้ชัยยันครางอะไรออกมายาวเหยียด จ, จากลำคอทิ้งกายงายแผลจากท่าที่นั่งกอดเข่าอยู่ ลงไปนอนเหมือนหมดสิ้นเรียวแรงกับพื้นหญ้านิ่มมาเรียสบดออกมาอุบอิบเป็นภาษาเยอรมันพร้อมกับจุปากเบาๆดารินนั่งอาปากค้างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปชั่วขณะส่วนเชิดาหัวเราะอยู่ในลําคอตามนิสัยอันเยือกเย็นของเขาออยัางงั้นน่ะกระพินก็น่าจะเป็นอย่างงั้นแหะครับตามที่แง่ทายก็เพิ่งจะมาบอกผมเมืาหยุกหยกนี่เองนะครับเขาตอบอ้อมแอมไม่เต็มปากเต็มคํานับ นึกแล้วไม่มีผิดว่ามันจะต้องมีรับลมคมในอะไรแอบแฝงอยู่อย่างชนิดเส้นผมบังภูเขาแค่นี้เองท่านหัวหน้าคณะพึมพำกับฝ่ายของเขาทั้งหมดพลางสั่นศีรษะอยู่ไปมาแล้วหันไปทางแงส่สายอีกครั้งว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะถามแกว่าเหตุใดแกจึงไม่ทักท้วงหรือบอกความจริงข้อนี้ซะก่อนที่จะให้ชั้นและผู้กองหลงเข้าใจผิด เดินค้นหากันไปไกลเสียเวลาเปล่าเพราะบังเอิญไม่มีใครถามแกเลยสักคนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีทีนี้นอกจากเหตุผลในข้อที่แกว่านี่แนละ้วยังมีเหตุผลประกอบอื่นใดอีกบ้างไหมที่จะยืนยันให้เรามั่นใจว่าเนินนี้นะ่ะคือเนินจันแน่นอนฉันเชื่อว่าแกจะต้องมีเหตุผลที่มากกว่านี้อีกเอาเป็นว่าขอถามพร้อมหน้ากันทั้งแกทั้งรพินซะเดี๋ยวนี้แหละ เพตอนนี้ปรึกษาหารือกันมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอแงาสายอึกอักอยู่ในลําคอแล้วก็โยนมาว่าผมอยากจะขอผู้กองเป็นผู้อธิบายครับเพราะผมก็ได้บอกผู้กองไปหมดแล้วทุกข้อสงสัยที่ไม่น่าจะต้องสงสัยของเขาแกนั่นแหละที่จะต้องพูดระพิงแยกเคี่ยวอีกฝ่ายกม้มศีรษะลงรับอย่างสงบวางแผนที่ต้นฉบับลงกับพื้นต่อหน้าฝ่ายนายจ้างทุกคน ซึ่งบัดนี้ล้อมวงเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดแม้กระทั่งชายยันผู้นอนหงายอย่างอ่อนอกอ่อนใจอยู่ในขณะนี้ก็รีบลุกขึ้นมาร่วมดูด้วยโดยเร็วเจ้านายครับเมื่อเรายืนพิจารณาดูภูมิประเทศอยู่บนไหล่เขาลูกนั้นเราเห็นที่ราบต่ำข้างล่างอันเป็นที่ที่เราลงมาอยู่กันในขณะนี้เป็นรูปผู้หญิงนอนทอดขวางลาตัวอยู่ตรงหน้าศีรษะหันไปทางเหนือส่วนปลายเท้า ทอดสู่ด้านใต้แง้าสายพูดแช่มช้ากังวานชัดเจนกระแสเสียงและสำเนียงพูดดูจะผิดจากทุกครั้งที่ทุกคนได้ยินมาก่อนโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างพร้อมกันก็ใช้นิ้วชี้ลงไปยังในแผนที่ประกอบคำอธิบายนี่ครับคือเนินจันทร์ที่กำหนดไว้ในแผนที่แต่ในแผนที่ฉบับนี้ไม่ได้เขียนภูมิประเทศส่วนละเอียดเป็นรูปร่าง เหมือนเช่นที่เรามองเห็นด้วยสายตาจากทัศนียภาพเบื้องสูงถ้าว่าภูมิประเทศอันเป็นเป้าหมายให้สังเกตได้ส่วนใหญ่ๆนั้นมีปรากฏอยู่ด้วยที่นี้สมมุตินะครับว่าตำแหน่งที่เราพักกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่จะยันได้จากแผนที่ฉบับนี้ก็คือเมื่อหันไปทางตะวันตกเฉียงใต้มีทิวเขาลูกที่เราเดินลงมาแล้วเป็นแนวขวางกันอยู่ตลอด หันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือซี่ตรงข้ามขุนเขาพระศิวะยอดสูงสุดเป็นทิวระฟ้าขวางล้อมอยู่โดยรอบบริเวณนี้ก็คือทิวบริวารที่แผ่กั้นโอบตัวเราไว้ในรัศมีวงกลมเฉพาะด้านตะวันตกมีภูเขาเล็กๆแยกตัวออกมาจากทิวใหญ่ตะาหาักอยู่ลูกหนึ่งยืนอยู่โดดเดี่ยวลักษณะสูงชลูดปลายเรียว แล้วคนใช้พิเศษวนนิ้วให้ดูในแผนที่แล้วเอาอีกมือนึงชี้ข้ามไหลตัวเองไปทางด้านหลังโดยไม่จําเป็นจะต้องหันไปทุกคนหันขวับไปมองตามชี้บอกแล้วจ้องขมิง้งเป็นความจริงสอดคล้องกับคําอธิบายประกอบแผนที่ของแง่ทรายอยู่ในขณะนี้ทุกอย่างทางด้านตะวันตกมีภูเขาย่อมๆโดดเดี่ยวอยู่ลูกนึงไม่ห่างออกไปเท่าใดนัก โผงอกเด่นระงานอยู่กลางพื้นที่ราบโลกจุดหมายที่เขียนไว้ในแผนที่ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันจุดหมายตำแหน่งนี้แผนที่บอกไว้ว่าสิวเทพซึ่งผมเข้าใจว่าเจ้าของลายแทงเจตนาจะตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ไว้เช่นนั้นมีบทขยายความเพียงสั้นๆประกอบต่อไปอีกว่าสิวเทพผู้ประทับทอดพระเนตรนางผู้นิทรา อย่างไม่รู้ตื่นทุกท่านโปรดพิจารณาประโยคที่ว่านางผู้นิทราไม่รู้ตื่นด้วยนะครับว่าหมายถึงอะไรคือภาพหญิงสาวที่นอนทอดขวางลำตัวขณะที่เรามองเห็นจากที่สูงนะเองใช่ไหมแง่ท า, ายเชิดฐายเม้มริมฝีปากพยักหน้าเนิบๆถามออกมาครับนายใหญ่นางผู้นิทราไม่รู้ตื่น ของผู้เขียนลายแทงนี่ก็คือภูมิประเทศที่เราหยุดพักกันอยู่ที่เองครับผมเองขณะที่ยืนพิจารณาอยู่บนเขาสูงลูกนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริเวณไหนควรจะเป็นเนินจันท์ตามที่ได้ตอบนายแหม่มไปแล้วเพียงแต่บอกว่าสงสัยว่าควรจะเป็นบริเวณกลางลำตัวของนางนอนซึ่งผมได้ยินนายหญิงเรียกบริเวณนี้ว่ามอนเวเนริสขณะที่เราพากันเดินลงมา ผมได้รับคำสั่งจากผู้กองให้นำลูกหาพวกเราทุกคนตรงมาที่เนินนี้คือที่นี่ก่อนเมื่อขึ้นมาถึงผมไม่ได้ตรวจสอบว่าถ้ามองย้อนกลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วจะเห็นเขาครุดอีกหรือไม่เพราะผมก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราลงมาสู่ที่ต่ำภูเขาลูกนั้นก็จะบังไว้ถึงจะมองยังไงก็ไม่เห็นหากแต่ผมมองไปทางตะวันตกเพื่อจะหาจุดหมายสิวะเทพ ที่ลายแทงบอกไว้ว่าอยู่ใกล้เคียงเนินจันมากที่สุดพอที่จะกำหนดหมายได้แล้วผมก็พบเขาลูกนั้นอยู่ทางทิศนั้นจริงๆยันกับแผนที่ทำให้ผมแน่ใจขึ้นอีกมากขณะนั้นเองผมก็เห็นผู้กองระพินส่งสัญญาณมายังนายทหารผู้ซึ่งตามผมขึ้นไปภายหลังผมไม่ทราบว่าสัญญาณแสงนั้นมีความหมายเช่นไรเพราะผู้กองไม่ได้ส่งสัญญาณมาในภาษาที่ผมอ่านออก ต่อจากนั้นผมก็เห็นนายทหารออกคำสั่งให้พวกเราทั้งหมดเดินตามผู้กองไปโดยผมก็ไม่ทราบว่าจะไปไหนเพื่ออะไรอีกและโดยความเชื่อมั่นว่าตำแหน่งนี้น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วผมจึงมีความคิดว่าเราควรจะพักของไว้ที่นี่ก่อนและจะรอฟังความเห็นของผู้กองอีกครั้งเมื่อเขาย้อนกลับมาและก็ น, นี่คือสาเหตุที่ทาไมผมถึงไม่ได้ตามไปด้วย ดารินพูดสงบฟังด้วยความพิจารณาเงียบๆอยู่นานก็เอ่ยขึ้นว่าเนี่ยไซนี่เป็นครั้งแรกนะที่เธออธิบายพูดจาอะไรให้เราฟังอย่าง จ, ากจักแจ้งที่สุดแต่มันก็ไม่ก่อนหน้าที่เธอกับผู้กองระพินจะลองดีลองวิชากันจนเป็นผลให้พวกเราต้องเดินกันซะย่ำแย่ทั้งทั้งที่ความจริงเราทั้งหมดก็เข้าถึงที่หมายถูกต้องแนละ้วแต่ไม่เป็นไรพวกเราฝ่ายนายจ้างทั้งหมด ก็บอกแล้วว่าเราจะไม่ติดใจอะไรในเรื่องนี้อีกเรามีแต่ความปิติยินดีที่บรรลุถึงเป้าหมายสำคัญที่เราต้องการแล้วโดยความสามารถของเธอทั้งสองคนแม้จะมีความทุลักทุเลมั่งกว่าช่างมันเถอะถือเป็นเรื่องขบขันฉลองโชคชัยของเราที่มาถึงได้ซะก็แล้วกันเจ้าคนใช้พิเศษก้มศรีรษะอ่อนน้อมให้แกนายหญิงงย า, ายขออภัยต่อ น, นายหญิงและเจ้านายทุกคนด้วยครับหากจะทาอะไรให้เป็นที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับนายไงาทรายพูดได้ชัดอีกทีนิว่าขณะนี้นะเรายืนอยู่บนเนินจันแล้วชา ย, ยันพูดช้าๆเน้นจับแจ้งทุกขับครั บ, รบนายทหารขณะนี้เราทั้งหมดอยู่ใจกลางของเนินจันตามที่กําหนดไว้ในลายแทงของมังมหานรธาแล้วโดวยฝีมือขีดเส้นเดินตัดทางของนายทหารเอง และโดยฝีมือมักคุเทศชั้นเยี่ยมของผู้กองระพินใครวันครับแล้วก็โดยข้อวินิจฉัยจากความรอบรู้ในแผนที่ต้นฉบับเดิมซึ่งมีอยู่เป็นทุนเดิมของคนใช้พิเศษซึ่งพวกเราทุกคนรู้จักกันในนามของเงาทรายด้วยละ่ะมาเรียกล่าวเสริมมาเร็วทางเอื้อมมือมาแตะไหลอันกว้างใหญ่นั้นแล้วหันไปทางเชฐิฐาอันเป็นประธานของคณะพี่ใหญ่ค ให้ฉันถามเขาต่อหน้าทุกคนเดี๋ยวนี้ได้ไหมว่าทำไงเขาถึงปิดบังพวกเราถึงฐานะอันแท้จริงภายใต้คราบของคนใช้ชาวป่ามาจนกระทั่งเกือบจะบรรลุถึงสุดปลายทางเช่นนี้ความเงียบปกคลุมชั่วขณะทุกคนมองไปยังแง่ายเป็นตาเดียวเจ้ากระเรียงพเนจรไม่ได้มีอาการสะดุ้งสะเทือนผิดแผ่ไปจากสภาพเยือกเย็นปกติแม้แต่นิดเดียวนอกจากม่านตาเท่านั้น รีซึมลงใช้ทามองไปยังชายยันและน้องสาวแล้วก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรนั่นเองท่านหัวหน้าคณะก็ยกมือขึ้นโบกยังไ ม, มไม่จำเป็นหรอกเมแล้วก็อาจไม่จําเป็นสําหรับเราตลอดไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เรายังมีเรื่องสําคัญที่จะต้องพูดกันมากกว่านั้นใช่ไหมแง่ท า, ายแง่ท า, ายไม่ตอบเพียงแต่ก้มศรีรษะลงต่ําสุดอย่างคาระวะ เต็ไมได้วยความเคารพยำเกรงในน้ำใจอันกว้างใหญ่ไพศาลของท่านหัวหน้าคณะแม่รพินไพรวันเองผู้จับตาสังเกตยอยู่ตลอดเวลาก็ยังบอกได้ว่านั่นเป็นอากับกิริยาที่ออกมาจากใจจริงปราชจากเล่กลนเสยแส้งของเจ้าคนลึกลับแง่สายยำเกรงและเคารพต่อเชิดถายิ่งกว่าที่มีความรู้สึกต่อเขามากนกะแล้วอดีตท่านทูตทหารบกก็สั่งไปทางรพินว่า ก, ก่อนอน่นใดทั้งสิ้นในขณะนี้นะคุณควรจะจัดหาที่พักที่แน่นอนของเราได้แล้วเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยเรายังมีเรื่องที่จะต้องหารือกันหนักต่อไปผมรู้สึกว่าขณะนี้เราทั้งหมดได้มายืนอยู่ตรงปากประตูของปริศนาลายแทงแล้วแ ล, และโดยคำสั่งของท่านหัวหน้าคณะที่พักแรมจึงถูกตระเตรียมขึ้นในทันทีนั้น รพินชวนคนของเขาออกตรวจดูภูมิประเทศใกล้เคียงอยู่ไม่นานก็มองเห็นว่าไม่มีที่ใดในบริเวณนี้ทั้งหมดจะเหมาะไปกว่าแนวบรรจบกันระหว่างเนินเตี้ยๆซึ่งขนาบอยู่สองฟากไปอีกแล้วเพราะเป็นหลืบต่ำลงมาพอจะอาศัยกำบังลมได้อย่างดีซ้ำยังมีร่องน้ำไหลซึมออกมาใต้ซอกหินชะโงกไหลเป็นสายธารเล็กๆไปตามกรวดหินซึ่งทอดลงไปสู่เบื้องล่าง อุดมไปด้วยฟืนและต้นปรงุงลักษณะแปลกๆงามตาไม่โล่งโถงโตลมโตน้ําค้างอย่างเต็มที่เหมือนส่วนอื่นๆพรนใหญ่กำหนดเลือกบริเวณที่มีพื้นที่อันมีระดับเสมอราบเรียบตอนหนึ่งของร่องเนินนั้นซึ่งมันเป็นชานอยู่ต่ำกว่าระดับหินชะงโงกอันเป็นตำแหน่งที่ตาน้าซึมออกมานั่นเองแล้วสั่งให้เคลื่อนย้ายของทั้งหมดลง พวกพรานพื้นเมืองอื่นๆเมื่อได้รับคำสั่งจากเขาก็กระวีกระวาดย้อนกลับขึ้นไปช่วยกันลำเลียงของอย่างรีบด่วนพร้อมทั้งเอาข่าวไปบอกฝ่ายนายจ้างเพื่อให้ทราบถึงที่หมายแน่นอนคงมีกตะตบุญคำคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ยอมผลักไปคงยืนอยู่ข้างๆขางเขาขามวดคิว้วทําสีหน้ากระอักกระอ่วนพิกลอยู่ในระหว่างที่แง้มมองสารวจั้งสูงและต่ารอบตัวนาย ตาเท่ากระซิบกระซาบเอานิ้วเขี่ยสีข้างเขาระพินหันขวับมามองหน้าอย่างหงุดหงิดแต่แกก็อ้าปากัวรออย่างนังเงียบ <c oughs> ไม่หยุกหยิกอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะบุญครับทำไมไม่ขึ้นไปช่วยพวกนั้นขนของลงมา <c oughs> เขาบอกเสียงขุนุนายนายแน่ใจแล้วเลยว่าจะพักกันอยู่ตรงนี้อ่อืมก็ไม่มีที่ไหนจะเหมาะกว่าที่นี่อีกแล้วนี่ นายถามจริงเหระนี่นายรู้ตัวหรือเปล่าว่าขณะนี้นะ่ะเราอยู่ตรงไหนของนางนอนจอมพรานกระตุกคิ้วโดยแรงชักเอกใจจ้องตาสมุนเท่าจอมสพกระดูของเขาขมิง่งถูกแล้วเขาไม่ได้สนใจหรือเฉลียวคิดอะไรอย่างบุญคำมาก่อนเลยและดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดหมดสิน้นนอกจากการแสวงหาตำแหน่งพัก ให้ดูว่าสุขสบายหรือปลอดภัยมากที่สุดเท่านั้นทำไมนายมันร่องกลางเนินพอดีนะนายแล้วก็มีหินก้อนนี้โผล่มาด้วยพระพิงจุปากลั่นผลักหน้าตาพรานเท่าคู่ใจของเขาพังงะออกไปนี่นี่นี่อย่าคิดอะไรมันสกโรกอกุศลมากนักเลยตะบุญคำอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราต้องการที่พักนันปลอดภัยที่สุด อย่าทำปากเสียไม่เข้าเรื่องแล้วก็หุบปากไว้ด้วยนะไม่ต้องไปพูดเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นแหละบุญคําแยกเขี้ยวยิ้มทำตาจี๋บุญคําไม่ได้ว่าไรรอกนายเพียงแต่อยากถามดูว่านายรู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นที่มาเลือกเอาตรงนี้เป็นที่พักบุญคําว่าถ้ามันจะโชคดีพี่ลึกนะ่ะเพราะพวกเราทุกคนก็เกิดมาจากที่ตรงนี้แหละ พลานใหญ่ขยับเท้าแต่เท้าก็เลยเพ็นพลุงออกโงยอ้าวตายตามหลังพวกนั้นขึ้นไปโดยเร็วชั่วไม่นานคณะทั้งหมดพร้อมทั้งสัมภาระก็เคลื่อนย้ายลงมาถึงภายหลังจากการจัดทํารรที่พักเสร็จสับเรียบร้อยเชษฐาก็เรียกประชุมอีกครั้งอ่ะชัยยันในเช็ดวันเวลาให้แน่นอนอีกทีสิ้ท่านหัวหน้าคณะออกคาสั่งกับสหายร่วมตายของเขา อดีตนายทหารปืนใหญ่ควักปฏิทินและบันทึกประจำวันของเขาออกมาตรวจสอบดูเพื่อความแน่ใจที่สุดและบอกกับทุกคนด้วยเสียงอันกังวานชัดเจนแฝงไว้ด้วยความปิติแช่มชื่นว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายนขึ้นสค่ำเพราะฉะนั้นวันขึ้น5ค่ำก็คือวันอังคารที่สพฤศจิกายนก็คือเป็นวันมะรืนนี้ทั้งหมดมองตากันด้วยความตื่นใจ แน่ใจเหรอชยันเชษฐาดารินและมาเรียเอ่ยถามออกมาพร้อมกันหึมแน่ใจที่สุดรับรองไม่มีการผิดพลาดพร้อมกระตอบอย่างมั่นใจชยันกลางสมุดปฏิทินให้ทุกคนดูแล้วชี้ไปยังนาฬิกาข้อมือของเชษฐาเอา้าถ้าไม่เชื่อก็ลองสอบดูกับวันที่จากนาฬิกาของแกดิถ้าหากมันดินเดินอยู่ะดูสิวันนี้นะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร มาเรียฉวยข้อมือของเชษฐถาขึ้นไปดูทันทีแล้วอุทานออกมาเสียงสันว่าถูกต้องแล้วชยันวันนี้ในตรงกั ว, วันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายนแต่นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้บอกขึ้นแรมไว้แต่คุณมีปฏิทินยันขึ้นแรมไว้ชัดก็แปลว่าถูกต้องแน่นอนละแล้วออลนั่นเวลาเท่าไหร่แล้วล่ะแน่ใจไหมวันนาฬิกาของแกเน่ยยังเดินเที่ยงตรงอยู่ออน่า นาฬิกาของฉันน่ะเที่ยงตรงเสมอแหละขณะนี้บ่ายสี่โมงตรงไม่ขาดไม่เกินถ้างั้นก็บอกเวลาที่ใกล้เคียงได้เลยชยันบอกอย่างรวดเร็วเรายังมีเวลารอคอยกันอยู่ที่นี่สองคืนกับสองวันหรือไม่น้อยกว่าห0สิบชั่วโมงก่อนจะถึงค่ำของคืนวันอนังคารที่สามเห็นอะไรชัดๆในเวลากลางวันอีกสองวันเต็มคือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ก่อนค่า ตาวจบช ย, ยันก็หันไปส่งมือให้กับพรานใหญ่ระพินพูดด้วยเสียงซึ่งกรันออกมาด้วยความรู้สึกอันแท้จริงว่าพวกกองขอจับมือหน่อยดิคุณ น, นี่แน่จริงๆและโดยที่พรานใหญ่ไม่ทันรู้ตัวชา ย, ยันฉวยเอามือเขาไปจับบีบสันแน่นกระชับพร้อมกับก้มศีรษะให้อย่างเลื่อมใสชื่นชมเต็มเปี่ยมทุกสายตาของฝ่ายนายจ้างแปรไปจับอยู่ที่พรานใหญ่เป็นจุดเดียวกันอีกครั้งด้วยความพอใจ และสนใจมากกว่าจะกล่าวออกมาเป็นคําพูดได้เจ้านายครับผมคิดว่าเป็นโชคของพวกเราเสียมากกว่านะครับเป็นคําตอบอย่างสงบสงี่ยมของมัรคุเทสผู้ยิ่งยงเราจะใช้ระยะเวลาระหว่างนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่ปรึกษาหารือกันในปริศนาลายแทงให้รอบคอบที่สุดรอจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงผมเชื่อมั่นว่าเราเข้าถึงประตูชัย ด่านสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้แล้วและเราจะต้องเปิดประตูด่านสุดท้ายนี้ได้สำเร็จอย่างแน่นอนคุณคิดเชิ น, นั้นไหมผู้กองอดีตท่านทูตทหารบกกล่าวถามจอมพรานรีดวงตาซึมลงมองข้ามสีสับของทุกคนผ่านเลยขึ้นไปยังทิวตระงงานเงื้อมที่แลเห็นลิบลิ้วยันฟ้าบกคลุมขาวพโพลนไปด้วยหิมะยามนี้กระทบแสงตะวันใกล้ค่า ดูประดุดเคลือบไว้ด้วยเกล็ดโกเมนนิ่งไปครู่ก็ตอบแผ่วเบาว่าโดยสัตว์จริงนะครับผมไม่ได้มีความมั่นใจอะไรมากไปกว่าดวงชะตาของพวกเราทุกคนที่วางไว้เป็นเดิมพันผมไม่เชื่อในความสามารถของตนเองหรือใครทั้งสิน้นในการเดินทางครั้งนี้ความสามารถทั้งหลายแหล่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้น ความสเร็จลุล่วงแต่ละขั้นแต่ละเปลาะล้วนมีปาฏิหาริย์หรือความบังเอิญอันเป็นผลดีเข้ามาช่วยไว้ทั้งสิ้นผมกล้าพูดได้ว่าเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ได้มีไว้ให้มนุษย์เดินเว้นไว้แต่พระเจ้าปีศาจหรือวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิเท่านั้นถ้าหากว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนจะบุกบั่นฟันฝ่ามาได้มันก็ย่อมหมายถึงว่ามีอิทธิฤทธิปาฏิหาร ที่เรามองไม่เห็นเข้ามาเป็นตัวดลนและบันดาลครับเสียงของระพินแผ่วหายไปชั่วขณะริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มอย่างเลื่อนลอยพลางกล่าวต่อมาว่าบางทีทุกท่านอาจคิดไม่ถึงหรือไม่เชื่อมาก่อนก็ได้นะครับทุกฝีก้าวที่ผมออกเดินทางมานับตั้งแต่ภูเขานิละกาผมภาวนาขอพรจากฤาษีโกนทัญญะอยู่ตลอดเวลา ขอให้ท่านช่วยเปิดทางให้แก่พวกเราทั้งหมดช่วยขจัดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคขวกักหนามและชี้ช่องทางแห่งสติปัญญาให้แก่พวกเราทุกคนถ้าผมโง่หรือเขลาไปก็ขอให้มีพวกเราคนใดคนหนึ่งฉลาดขึ้นผลแห่งการภาวนานี้ผมรู้สึกว่าจะศักดิ์สิทธิ์สมจริงนั่นคือเราผ่านพ้นมาได้แล้วทุกปลอกจนกระทั่งทันกาหนดเวลา ไม่ได้ติดขัดอับจนอยู่ที่จุดไหนเลยแม้จะดูว่าหุดวิดจวนเจียนหน้าใจหายใจคว่มก็าตามแม้วันมารืนที่เราจะผาเผชิญหน้ากับปริศนาด่านสุดท้ายก็เช่นกันจะสำเร็จหรือไม่และยังไงก็ขึ้นอยู่กับวิญ ญ, ญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ทรงศีลองค์นั้นประกอบกระเกกฑนชะตาของพวกเราด้วยละครับทุกคนนิ่งเงียบไปนานต่างตกอยู่ในห่วงคิดคำหนึ่งต่อมาดารินก็เอ่ยขึ้นว่า กรพินไม่เพียงแต่คุณหรอกที่ภาวนาถึงฤาษีโกนธัญญาพวกเราทุกคนก็เช่นกันแต่ที่พวกเราฝ่ายนายจ้างทั้งหมดจะปฏิเสธใช่ไหมได้ก็คือโชคในการเดินมหาวิบาชของเราครั้งนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะเราได้พรานนาทางที่มีความสามารถมาตั้งแต่ต้นคุณจะไม่ยอมรับคํานิยมของเราในข้อนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ขอให้รู้ไว้เถอะว่าเรามีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ไม่พูดถูกแล้วล่ะผู้กองพี่ชายผู้เป็นหัวหน้าคณะยอมรับมาด้วยเสียงลึกเดี๋ยวนี้นะผมไม่วิตกอีกแล้วละ่ะว่าเราจะหาทางตัดขึ้นเทือกพระศิวะได้สำเร็จหรือไม่ตลอดเส้นลำบากยากแค้นสารพัดคุณังพาพวกเราฝ่ามาได้หรือเพียงด่านเดียวไม่สำเร็จก็มันรู้ไปทิเราจะไม่ปล่อยคุณตามลพาพังคนเดียวแต่จะช่วยกันหมดทุกคนหลายความคิด หลายสติปัญญามันย่อมต้องเกิดผลขึ้นแน่นอนข้อกังวลครุ้นคิดที่เหลืออยู่ในขณะนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือไม่แน่ใจว่าอนุชากระนันอินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เท่านั้นพรุ่งนี้ผมจะออกตรวจดูร่องรอยของคุณชายอนุชาในละแวกนี้อีกครั้งครับเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลสรุปที่ใกล้เคียงขึ้นอีกครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ ขณะที่เราพักอยู่ในโพรงถ้ำตรงบ่อน้ําร้อนคุณชายอนุชากนันอินก็พักอยู่ที่นั่นส่วนเนินจันท์ที่เรามาถึงในวันนี้ก็ไม่ห่างไกลาจากตําแหน่งนั้นเท่าไหร่นักแสดงว่าทั้งสองคนมุ่งเข้าสู่เส้นทางอันถูกต้องและจะต้องบายหน้ามาถึงที่นี่ได้อย่างเราเช่นกันจุดสงสัยที่เราจะต้องแสวงหาให้ได้ก็คือทั้งสองคนมาถึงที่นี่ตรงเวลาตามกําหนดขึ้นห้าํา เดือนพฤศจิกายนปีก่อนหรือเปล่าครั้งสุดท้ายพักอยู่ตำแหน่งไหนของหุบนี้และเขาสามารถตัดเส้นทางขึ้นเทือกพระศิวะได้ถูกหรือไม่ทุกคนตกอยู่ในห่วงไต่ตรองลึกถ้าหากอนุชา ย, ยึดหลักเดียวกันกับพวกเราเขาก็จะต้องทำเหมือนเราในขณะนี้ไม่ใช่เหรอคือสแสวงหาตำแหน่งเนินจันทรูกตงและเฝ้ารอคอยเวลาห้าค่า เดือนพฤศจิกายนเรามาตั้งปัญหากันในอันดับแรกก่อนลวกันว่าอนุชาจะค้นพบเนินจันทร์ที่ถูกต้องอย่างเราหรือไม่ชยันกล่าวขึ้นบ้างอย่างใช้ความคิดเต็มที่ก็มไม่น่าจะผิดพลาดเป้าหมายนะถ้าตำแหน่งสุดท้ายที่ทั้งสองคนนั่นเดินกันมาเป็นเส้นทางเดียวกันกับเราคือผ่านมาทางทิวเขาด้านตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถจะมองลงมาเห็นภูมิประเทศข้างล่างนี่เป็นรูปนางนอนเหมือนอย่างที่เราเห็นขณะที่ยืนอยู่บน น, น้นมาเรียว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงลวะว่าทั้งสองคนจะเดินมาในเส้นทางอย่างเดียวกับเราโดยไม่วกอ้อมหรือตัดมาทางอื่นซึ่งจะไม่มีอะไรใช้ช่วยสังเกตได้อย่างเราแล้วเราก็ยังไม่เคยวินิจฉัยกันได้ถูกเลยว่าเขาใช้หลักเกณฑ์หรือแผนที่ฉบับไหนเป็นเครื่องนาทาง ลองคิดให้ดีสิระินคุณก็บอกเองแล้วว่าระยะทางระหว่างถ้ำบ่อน้าร้อนที่เราพบร่องรอยของอนุชาครั้งสุดท้ายกับที่นี่ไม่ห่างกันนักระหว่างที่เราเดินกันมาคุณสังเกตเห็นร่องรอยการเดินผ่านของสองคนนำบ้างหรือเปล่าท่านหัวหน้าคณะหันไปถามจอมพรานไม่มีทางจะพบเห็นได้เลยละครับเพราะพื้นที่ทั้งหมดปกคลุมด้วยหิมะ ซึ่งละลายและตกซ้ำลงมาพอกพูนอยู่อีกไม่ทราบว่าซับซ้อนกันอยู่กี่ครั้งกี่หนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ห่างกันตั้งปีเลยครับในเส้นทางสายนี้นะต่อให้ห่างกันสักแค่สามสี่วันก็จะค้นหาอะไรไม่ได้แล้วละ่ะเว้นแต่จะตัดหรือฟันกิ่งไม้ริมทางผ่านวัดซึ่งผมก็สังเกตไม่เห็นนะครับแต่ผมไม่อยากจะเชื่อว่า คุณชายอนุชาจะเฉฉยออกนอกเส้นทางไปด้านอื่นเพราะจุดหมายต่อจุดหมายมันห่างกันไม่มากแล้วก็มีเทือกพระศิวะอันสูงใหญ่เยี่ยมเมฆเป็นเครื่องคอยสังเกตบ่งชัดอยู land, ่แล้วก็ถ้าเช่นนั้นเขาก็ควรเข้าถึงเนินพระจันทร์ถูกต้องอย่างเราโดยวินิจฉัยไม่ผิดนะสิครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นครับาก็ถ้าจะเป็นเช่นนั้นแล้วหลักฐานในการทักแรมหรืออื่นๆของเขา ก็วควรจะแปรกฏอยู่บนเนินจันนี้บ้างไม่ใช่เหรอครับขอเวลาให้ผมสำรวจพรุ่งนี้นะครับอาจจะลงความเห็นได้ใกล้เคียงขึ้นอ่ะเรามาสมมติและแตระเตรียมกันไว้ก่อนล่วงหน้านะถ้าเราค้นแล้วไม่พบอะไรเราจะลงความเห็นกันว่ายังไงดารินผู้ไม่เคยเลิกนิสัยกังวลต่อเหตุการณ์ถามแทรกขึ้นโดยเร็วเราอาจพบหรือไม่พบอะไรเลยก็ได้ทั้งสองนัยยะ แต่สิ่งที่เราทำแน่แน่ก็คือถ้าไม่มีอะไรมาพิสูจน์ถึงความสิ้นสุดล้มตายของคุณชายอนุชาและหนานอินหน้าที่ของเราก็คือตามไปในเส้นทางจุดหมายเดิมของเราต่อไปโดยไม่คำนึงถึงว่าเราจะหลงไปทางอื่นหรือตัดขึ้นเทือกพระศิวะไม่ถูกอย่างนั้นเหรอพรานใหญ่นิ่งอึ้งไปครู่แล้วกล่าวต่อมาว่าคุณชายครับเดี๋ยวนี้ผมมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่า คือใช้การประเมินผลจากพวกเราเองเป็นหลักความรู้สึกชนิดนี้ของผมมันเกิดขึ้นขณะที่เรากระชั้นชิดรอยของทั้งสองคนนั่นนับตั้งแต่ออกจากภูเขาในหลักการมาทีเดียวถ้าเราเดินทางได้ถูกต้องคุณชายอนุชากนันอินก็จะต้องถูกต้องด้วยและล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วเรามีหน้าที่จะเพียงค้นหาเส้นทางให้ถูกต้องและตามไปเท่านั้นจนกว่าจะถึงตำแหน่งสุดท้ายของทั้งสองคน ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนี่ทุกคนน่ะมัวแต่ไปพูดถึงปัญหาปลายเหตุกันหมดก็ทําไมไม่ลองคิดและหาคําตอบกันให้ชัดซะ ก, ก่อนละ่ะว่าพี่ชายของน้อยและคนของเขานะ่ะเดินทางมาอย่างถูกต้องได้เช่นไรเห็นที่ลายแทงของคนตายเมื่อสี่ร้อยปีก่อนมีอยู่มากกว่าหนึ่งฉบับนอกเหนือไปจากที่ไพวันมีอยู่ในขณะนี้หรือเปล่ามาเรียถามแทรกขึ้นกลางคัน ทำมาทุกคนชนะแม้แต่รับผิดถูกแล้วมันเป็นคำถามที่เขาก็ตอบไม่ได้และไม่เคยเฉลียวใจคิดมาก่อนเลยจนกระทั่งถูกตั้งเป็นคำถามขึ้นจังหน้าเช่นนี้ชดประชากรนักพเนจรสแสวงโชคผู้สาบสูญกับคนร่วมตายของเขาใช้อะไรเป็นหลักยึดในการเดินทางแนวทางเดินของบุคคลทั้งสองซึ่งลวงหน้าไปก่อนแล้วนั้น จึงอยู่ในแนวทางที่ปรากฏในแผนที่ของฝ่ายติดตามแทบทุกระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนปลายของเส้นทางเดินนับแต่ออกจากภูเขานินลกาณมาการนำทางของรพินนั้นไม่ได้อยู่ที่การแกะรอยเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทำกลางป่าดงพงไพรอันแสนจะกว้างใหญ่ไพศาลฝ่ายที่ล่วงหน้ามาก่อนผ่านเวลาไปตั้งครัวปีแล้วจะเหลือรอยอะไรให้สาวกันได้ทุกฝีก้าว ที่มุ่งตามมานั้นเข้าในฐานะมัคคุเทตตามมาโดยการชี้บอกของแผนที่โบราณซึ่งรู้แต่เพียงว่าชี้ไปสู่จุดหมายเดียวกันกับที่คนทั้งสองเจตนาบ่ายหน้าไปเท่านั้นเป็นการตามอย่างเสี่ยงเหมือนงมเข็มเพราะไม่มีหนทางใดที่จะเลือกได้ดีกว่านี้แต่แล้วก็พบว่าในเส้นทางของแผนที่ฉบับนี้เองที่ได้พบร่องรอยของคนทั้งสอง เป็นระยะระยะไปและถีก็มาทุกทีเมื่อใกล้จุดหมายสุดท้ายนี่มันไม่หมายความว่าคนทั้งสองมีแผนที่หรือเครื่องชี้ทางอย่างเดียวกันกับที่เขาใช้นี่อยู่หรือซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดแผนที่โบราณต้นฉบับมีอยู่เพียงฉบับเดียวที่เขาได้รับมาจากนักเสี่ยงโชคชาวพาม่าที่มาตายในอ้อมแขนส่วนฉบับคําแปลก็มีอยู่เพียงฉบับเดียวเหมือนกัน พรภัยหลังจากไหววานให้เจ้ามองขี้เมาสหายของเขาช่วยแปลให้แล้วมันก็ลืมข้อความเส้หมดสิ้นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่เมาจนงอหัวไม่ขึ้นซ้าเจ้านั่นก็ตายไปแล้วด้วยก็แล้วนายชดประชาก่อนไปได้แผนที่หรือหลักเกณฑ์เดินทางมาจากที่ไหนอีกล่ะแนวทางเดินจึงเกือบจะดูเป็นอันเดียวกันเช่นนี้ครับผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน แต่ยืนยันได้แน่นอนครับว่าแผนที่ฉบับนี้มีอยู่เพียงฉบับเดียวเท่านั้นในโลกครับคำ ถ, ถามที่เขารู้ตัวล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วก็ประดังมาจากฝ่ายนายจ้างว่าถ้าเช่นนั้นอนุชารู้เส้นทางเดินในแผนที่นี้ได้ยังไงคุณเคยเอาให้เขาดูหรือคัดลอกไว้หรือเปล่าเ<อ>จ้านายครับผมไม่เคยให้คุณชายอนุชาดูหรือคัดลอกไว้ทั้งหมด แต่เพียงในการพบกันครั้งสุดท้ายนะ่ผมได้เขียนข้อความบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่บอกไว้ในลายแทงมอบให้นานอินเอาไปให้เจ้านายของแกตามที่ผมเคยบอกไว้แล้วแต่นั่นมันหมายถึงว่าจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองคนรัดขึ้นเทือกพระศิวะได้ถูกต้องเช่นก่อนเป็นการแนะนทางกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่คิดนะครับว่าทั้งสองคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่แค่ไหน เราไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าเขาจะเดินมาได้จนถึงที่นี่เจ้านายครับขอให้แง่ทายเป็นผู้ตอบในปัญหานี้ได้ไหมครับทันใดนั้นเองเสียงเห่าลึกของเจ้าคนลึกลับซึ่งนั่งสงบมาตลอดเวลาก็ทำลายความเงียบงานของทุกคนขึ้นทำให้ทั้งหมดซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนหันความไปจ้องเป็นตาเดียว